ที่ยกตัวอย่างนี้มันเห็นว่าเออมันเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าต้นไม้มันอยู่นอกตัวเราเนาะ <c oughs> ตัวเราเป็นผู้ยืนดูต้นไม้แล้วก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้ตัวเราได้อย่างนี้มันมันง่ายแต่ถ้าเอาภายในตัวเนี่ยภายในตัวเนี่ยแล้วก็เพื่อให้รู้จักว่ารู้นั้นก็มีอยู่ตรงนี้มันมันจะยากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะลองพูดเนาะลองลองลอ ง, <c oughs> ลองพิจารณาดูเนาะว่าเออมันเป็นยังไงสมมติว่าใน ในหลักคำสอนเนาะท่านบอกว่าการขึ้นวิปัสสนาญาณเนี่ยจะต้องแยกแยกรูปแยกนามอันนี้เป็นเป็นภาษาที่เขาว่าทีนี้เราจะต้องรู้จักคำว่ารูปก่อนว่ารูปหมายถึงอะไรนามคืออะไรอ่านะฮทีนี้หลวงพ่อก็จะพูดอย่างคร่าวๆพอให้เข้าใจได้ก็คือรูปก็คือร่างกายนะร่างกายเนี่ยที่เป็นดุ้นเป็นท่อนเนี่ยเนาะซึ่งไม่อาจเราไม่ต้องใช้ตามองก็ได้แต่ว่าสามารถรู้ได้ว่าเออ มันมีรูปเดินรูปนั่งรูปนอนมีอยู่เนี่ยอย่างตอนนี้ปัจจุบันเนอะสมมติระยามไม่ต้องใช้ตาดูหรอกต่อให้ปิดตามันก็ยังรู้ว่าเนี่ยรูปเนี่ยที่เรียกว่าตัวเรานะ อ, อภาษาสมมติเขาเรียกว่าตัวเรากําลังนั่งอยู่หรือกําลังเดินอยู่ก็รู้ได้นะเพราะนั้นรู้ก็รู้เหมือนกับว่ารู้เบาๆเนี่ยไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องหรอกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วแหละด้วยว่าอมืมีอยู่น ะ, ะถ้ามีอยู่ถ้ารู้ว่ามีอยู่เนี่ยถ้ากลับว่ารู้จักกรูปแล้ว นะทีนี้พอรู้จักรูปแล้วเนี่ยต่อมาเขาบอกว่าอ่ะรู้จักนามนามคืออะไรนามก็คืออ่ะสมมติว่าหลวงพ่อใช้คําว่านามคือความคิดกันแล้วกันนะความคิดคือเป็นนามธรรมคือมันไม่ใช่รูปแล้วก็มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทีนี้หลวงพ่อก็จะยกตัวอย่างว่าเช่นขณะทีะ่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็รู้รู้ว่ารูปนั่งแล้วก็ นั่งไปนั่งไปมันก็มีความคิดอยู่แล้วแหละมันก็คิดเรื่องนูน้นอาจจะคิดเรื่องธรรมะอาจจะคิดเรื่องของเรื่องการเรื่องงานมันก็คิดทีนี้นถ้าเห็นถ้ารู้ว่าคิดนะถ้ารู้ว่าคิดนี่แสดงว่ารู้นามแล้วเพราะนั้นรูปก็รู้จักแล้วแล้วก็นามก็รู้จักแล้วแต่ทีนี้นมันมีอีกสิ่งยังไงที่มารู้รูปกับที่มารู้นามสิ่งนั้นก็คือก็คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติรู้ เห็นไหมธรรมชาติรู้จึงไม่ใช่รูปแล้วก็ไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นธรรมชาติที่รู้มันรู้ไงรู้รูปรู้นามตรงนี้เราก็จะรู้จักอ้าวจริงๆในตัวเรามันก็มีอยู่แล้วนี่เนาะธรรมชาติรูนะ้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเรามาเทียบเคียงพิจารณาว่าไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคุณนะสมบัติของมันนะ่ะมันได้แต่รู้ แต่ถ้ารู้อันนี้มันพูดได้ก็แสดงว่ามันเป็นรู้ที่เป็นสังขารยังไม่ใช่รู้แท้ยังไม่ใช่รู้จริงแต่ถ้ามันรู้รูปรู้นามแล้วมันไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งไม่ได้เล่าไม่ได้บอกอะไรสักคำได้แต่รู้ได้แต่รู้อย่างเงี้ยมันเป็นรู้แทรู้จริงเพนะราะนั้นรู้แทรู้จริงมันก็ถ้าพูดพอให้เข้าใจก็คือว่ามันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันไม่มีที่ตั้งไม่รู้มันตั้งอยู่ตรงไหนแต่เข้าใจได้ว่า ธรรมชาติรู้เนี่ยมันมีอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามีรูปกับมีความคิดมีนามเออแล้วก็คําว่านามมันอาจจะมีตัวอื่นด้วยเช่นความเวทนาเนาะคือเป็นความสุขความสุขเป็นเป็นเป็นความสุขความสุขเออไม่ใช่เป็นนามก็คือเอ้ยเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์อ่ะนะหรือว่าเฉยเฉยมันก็มีอยู่อาการลักษณะแบบนี้ถามว่ารู้ได้ไหมเวลามีความสุขสุขใจก็รู้ได้ เวลาทุกใจรู้ได้ไหมก็รู้ได้อ่าวถ้ารู้ได้ถ้ามันรู้แล้วไม่พูดไม่จามันเป็นรู้แท้แต่ถ้ามันบอกว่าโอ้สุกจังเลยสุกจังเลยอันนี้รู้ปลอมเพราะมันพูดได้อ่าเพราะฉะนั้นรู้แท้รู้ปลอมมันก็อยู่ในในนี้แหละแต่ข้อสังเกตคือรู้แท้มันพูดมันไม่พูดเลยมันได้แต่รู้แต่รู้ปลอมพูดเอาพูดเอาพูดเอาพูดไม่นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพิจาในในตัวเนี่ยมันก็พิาณาได้ก็คือหัดแยก ให้รู้จักว่ า, อ, าอ๋อไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ น, นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีธรรมชาติรู้รู้อยู่นี่ไม่ไม่ยากแล้วก็ต่อไปก็เวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวก็สังเกตจะมีสิ่งถูกรู้ก่อนก็คืออารมณ์เนาะแล้วก็จะมีผู้รู้ผู้รู้ก็คือตัวที่พูดได้กับตัวที่พูดไม่ได้แต่ก็ค่อยสังเกตเอาแต่ก็ไม่ใช่ว่าแหม่รู้จักแล้วก็จะไปเป็นผู้รู้ที่ไม่พูดนะคือมันไม่ต้องเป็นเราอะ่ะมันเป็นของมัน <c oughs> มนั้นแหละเพียงแต่ว่าแค่มีปัญญาไปเห็นบันเท่านั้นเนี่ ไม่ใช่ว่าโอ้ยเราต้องฝึกให้เป็นผู้รู้แท้จะได้ไม่ต้องพูดจะได้ไม่ทุกข์อันนี้ก็เข้าใจผิดอีกแล้ว ค, <c oughs> คืออย่าไปยุ่งกับมันแค่รู้จักพอเฉยๆว่าเออมันนี้อยู่แล้วก็ไม่อะไรกับมัน ค, ความบางทีจยว่ายากก็ยากนะแต่ว่าเมื่อเมื่อง่ายนี่ความยากหายหมดเลยแหละระ<ช>วังนี่นะหลวงพ่อก็ื่อกีใช้คำว่าเอาของจริงเดียเด๋ยวนี้ เพราะเชื่อว่าอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนาะหลวงพ่อจึงยกประเด็นความไม่เข้าใจนี้มาพูดเพราะว่าเพรตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีความไม่เข้าใจจริงๆแต่ทีนี้หลวงพ่อนี่จริงๆมันเป็นคำชี้บอกทางนะเหมือนกับเชิงเฉลยด้วยซ้ำแต่จริงๆมันจะต้องรู้ด้วยตนเองแต่ทีนี้บางทีรู้ด้วยตนเองมันมันยากไงหลวงพ่อก็เหมือนกับว่า ชี้แนะนํานําร่องสักอย่างเดี๋ยวต่อไปค่อยต่อย่อดเราเองก็คือที่หลวงพ่อพูดมานะอาสมมติว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็เนี่ยแสดงว่าความไม่เข้าใจเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการรับรู้ถึงความไม่เข้าใจคือรู้ว่าไม่เข้าใจแล้วก็พูดมาบอกกับตัวเองว่าหนูไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเห็นไหมค่ะ สแสดงว่าอันเนี้ย ม, มันรู้ปลอมรู้ปลอมอะไรคือความไม่เข้าใจมีอยู่แล้วก็ไปรับรู้ว่าไม่เข้าใจแต่การรู้แบบเนี้ยมันไม่ได้รู้เงียบเงียบไงมันรู้เสร็จแล้วก็มาบนกับตัวเองบอกเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจตอนเนี้ยเริ่มเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วเริ่มมีตัวเราขึ้นมาแล้วว่าไอความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเราไปแล้วเราไม่เขา้าใจวิธีแก้ก็คือรู้สึกตัวว่าเห็นไหมวิธีแก้ก็คือก็รู้เราเสีที เราคนที่ไม่เข้าใจอ่ะแค่เนี้ยมันก็จะเกิดธรรมชาติที่รู้จริงมารู้ตัวเราว่าเราไม่เข้าใจตัวเราคนไหนตัวเราก็เหมือนกับคนที่ยืนดูต้นไม้อะไอันนี้ก็เหมือนกันตัวเราก็คือคนที่ไปดูความไม่เข้าใจแล้วก็ตัวเราก็พูดเอาพูดเราว่าเราไม่เข้าใจเพราะนั้นรู้เราเสีในปัจจุบันเนี้ย ถ้ารู้เรานี่ถ้าจับทางได้เมื่อไหร่เนี่ยถ้ากับรู้สึกตัวแล้วนะรู้เราแล้วแล้วก็ความหลุดพ้นก็จังบังเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรเพราะเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้ที่ไม่พูดอ่ะที่มันรู้เราอ่ะไอ้นี่แหละคือเป็นภาวะที่หลุดพ้นไปมันก็ยังละเอียดเนาะแล้วก็วไม่เป็นไรก็พูดซ้ําอย่างนี้แหละถ้าไม่เข้าใจก็กคุยพูดหน่อหรือว่ า, าอาจจะโยมาจะถามก็ได้อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างไว้เรื่อยๆนะโยมเดี๋ยวจะคงเข้าใจแหละ ไม่เข้าใจวันนี้มันอยากจะเข้าใจวันอื่นไมได้นะแต่ก็ฟังไปก็มันนี้ก็คือในข้อเท็จจริงเนาะหลวงพ่อก็สนทนาธรรมกับกับกับพระรูปหนึ่งเนาะท่านก็แตกฉานคือมีความรู้เรื่องจิตมากเลยเวลาท่านอาธิบายเรื่องจิตเนาะโอ้โหเราฟังแล้วแบบลึกซึ้งเลยแล้วก็แบบความรู้สึกว่าท่านอาธิบายถูกหมดเลยนะเรื่องจิตไม่เที่ยงจิตไม่ปรุงแต่งอะไรเนี่ยแต่หลวงพ่อบอกพระองค์นั้นไปคำหนึ่งว่า รู้ตัวไหมว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้เราเนี่ยเป็นผู้รู้เรื่องจิตนะการที่เราเนี่ยเป็นผู้รู้เรื่องจิตเนี่ยมันพนทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมารู้เรารู้เราคนไหนก็เราคนที่ผู้รู้เนี่ยเราคือผู้ที่รู้เรื่องจิตเพราะฉะนั้นถ้าขณะจิตใดที่รู้เราผู้รู้เนี่ยตรงนี้มันจะพ้นจากความเป็นตัวตนพ้นจากความเป็นตัวเรา เพราะผู้รู้เรื่องจิตก็คือสังขาร น, นั่นเองเพราะว่ารู้และออกมาพูดได้เป็นรู้ที่ไม่ไม่จริงแท้อะไรนะตรงนี้มันทำให้เห็นภาพไงโยมลองดูนะหลวงพอ่อพูดซ้าอีกทีหนึ่งจิตก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งมันมีของมันอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นแต่มีตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีความรู้ก็ไปอธิบายเรื่องจิตตรงนี้มองออกแล้วยังว่าจิตก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวถึง แต่ตัวเราที่ผู้อธิบายที่เป็นผู้พูดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตัวกูคือตัวเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าพ้นทุกข์ก็คือรู้ตัวเราไม่ใช่ว่าเอาตัวเรารู้เรื่องจิตนะรู้ไหมอ่าอย่างเมื่อกี้เทียบกับความไม่เข้าใจความเข้าใจก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แต่มีตัวเราเนี่ยไปเหมือนกับว่ามีตัวเราเนี่ยไปไปกังวลเรื่องความไม่เข้าใจอะว่า เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแต่จริงความไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แต่มันด้วยความไม่รู้เนี่ยด้วยความหลงผิดเนี่ยมันก็สร้างตัวเราขึ้นมาอีกตัวหนึ่งว่าเราเป็นผู้ไม่เข้าใจในเรื่องที่พูดหลวงพ่อเขาบอกว่าโการที่จะให้พ้นจากความไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวให้พ้นจากตัวเราง่ายนิดเดียวคืออย่าไปสนใจเรื่องความไม่เข้าใจ แต่ให้มารู้ตัวเราผู้ผู้บนผูวิพากวิจารว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจ <c oughs> ให้มารู้ตัวบนตัวพูดตัวภาคแทนเซอะอย่าไปหาคำตอบในเรื่องที่ไม่เข้าใจ <c oughs> แต่ให้รู้ตัวเราพู้บ่นพึมพำในใจบอก <c oughs> พูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือวะกู <c oughs> ไม่เข้าใจเนี่ยให้มารู้ตัวเนี้ <c oughs> ตัวนี้คือกำลังเป็นตัวเราอยู่ไง <c oughs> ถ้ารู้ตรงเนี้ยมันก็ชะชัดเจนคือมันจะ ชัดเจนยังไงคือมันทําให้ไอาตัวเราผู้ภาคผู้บนเนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้ทันแล้วว่าโอ้ไอตัวพูดตัวภาคตัวบนมันก็คือสังขารนั่นเองใช่ไหมพอสังขารมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วไงอ้าวทั้งนี้เท่ากับว่ารู้ว่าไอ้ที่บนมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่สังขารแต่เมื่อกี้เนี่ยเพียงแต่รู้ไม่ทันไม่ทันรู้ก็เลยเข้าไปเป็นตัวเราพูผู้บนผู้พูดผู้ภาค อหลวงพ่ออยากอธิบายไงแต่ว่าเอาค่อยๆ ย, ยกตัวอย่างนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยแก้ปัญหาได้ถ้ายัางงงอยู่ก็พูดต่อไงจนกว่าจะเข้าใจบางทีเนาะเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้รู้ไม่ถูกตัวเขาเรียกว่ารู้ไม่ถูกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวพูดไปพูดไปเดี๋ยวมันเข้าร่องทําให้เข้าใจจนจนได้อยู่ดีห <c oughs> ลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องการที่ที่พวกเราเรียกอาจจะเรียกว่าการนั่งสมาธิเนาะ เพราะส่วนใหญ่ก็คงนั่งกันอยู่แล้วแหละคือเวลานั่งสมาธิมันก็จะเอาตัวเราเนาะนี่ลงหลวงพ่อใช้คําว่าตัวเราตัวเราเป็นผู้นั่งเป็นผู้นั่งสมาธินะแล้วก็เมื่อนั่งแล้วก็เขาเรียกว่าทําสมาธิพอทําสมาธิมันก็มีพฤติกรรมการการทําอะไรบางอย่างแหละเช่นอาจจะไปดูดูอะไรดูดูจิตก็ได้ดูจิตแล้วก็ดูพอดูจิตแล้ว จิตมันก็เออรู้สึกว่ามันเงียบมันส ง, งบมันส ง, งัดมันไม่มีความคิดนะมันเงียบแล้วอันนี้ถึงขั้นก็เรียกว่าอาจจะเป็นสมาธิลึกนะแล้วก็รับรู้ถึงความโอ้จิตส ง, งบจิตนิ่งจิตไม่ไม่คิดแล้วอ่าแล้วก็อาจจะรู้สึกแหมพอใจเนาะออสิ่งอันนั้นแหละมันเป็นอาการเป็นอาการที่ถูกรับรู้ว่ามันส ง, งบมันนิ่งเนาะแต่มันก็มีผู้รู้อยู่อยู่ดี ถ้าไม่มีผู้รู้ก็ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันจะมันมีอาการอย่างไรแต่ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติเนี่ยก็ได้แต่มองแต่อารมณ์มองแต่อาการของจิตที่มันเงียบมันสงบแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาเลยว่ามีมีผู้รู้อยู่ผู้รู้อันนั้นไม่ใช่ใครหรอกเรานั่นแหละเราเนี่ยเป็นผู้รู้อาการทีนี้ถ้ารู้เรานะรู้เราผู้รู้นี่แหละก็จะทำให้ พบว่าเราผู้รู้นี่มันก็คือสังขาร น, นะเป็นสังขารที่อยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่รู้เราผู้รู้เนี่ยมันจะทำให้หลุดพ้นจากผู้รู้ไปได้มันทำให้หลุดพ้นจากผู้รู้นะเพราะว่าผู้รู้ที่นั่นแหละที่รู้ลมรู้อ้รู้ความสงบรู้อะไรเนี่ยผู้รู้อันนี้มันยังเป็นสังขารอยู่เพราะเหตุว่าในผู้รู้เนี่ยมีการนึกมีการคิดมีการตรึกอยู่ไง ตึกว่าโอ้มันสงบจังเลยมันดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้รู้ตัวนี้มันก็เป็นสังขารพอสังขา น, นี้เป็นสิ่งถูกรู้บั๊บเนี่ยมันก็จะมีอีกรู้หนึ่งที่เป็นรู้ที่หลุดพ้นไปจากสังขารแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าอ๋อที่เราปฏิบัติมาเนี่ยไม่เคยย้อนมาที่ผู้รู้เลยได้แต่รู้ได้แต่รู้าอารมณ์รู้อาการของจิตว่ามันนิ่งมันเฉยมันเงียบมันสงบ ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่พ้นทุกข์สิเพราะว่ามันยังไม่เข้ายังไม่ไปพบต้นตอของมันะ่ะต้นตอก็คือผู้รู้นั่นแหละทีนี้ถ้าพบผู้รู้แล้วทําลายผู้รู้คือทําลายความเห็นผิดว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่เราผู้รู้เป็นเพียงแค่สังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะพอ พ, พบผู้รู้ทําลายผู้รู้เสร็จแล้วก็คือจบแล้วเพราะว่าพ้นจากผู้รู้มันไม่มีอะไรแล้วนี่ นะพ้นจากผู้รู้ที่เป็นสังขารปรุงแต่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นความไม่ปรากฏอะไรนั่นแหละความไม่ปรากฏอะไรก็คือมันมีรู้แท้นั่นแหละที่ไม่ปรากฏตัวก็คือพ้นทุกไปนะอันนี้ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็เพื่อก็มีหลายคนนะไปติดอารมณ์ไปติดความว่างไปติดความสบายแต่ไม่รู้ว่าตัวเราอะที่เป็นนั่งทำสมาธินั่นแหละทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งอะไรแต่ก็ไม่ไม่อาจจะอะไรไม่อาจจะเห็นตัวนี้ได้ หลวงอก็ชี้กลับมาเออให้เห็นตัวนี้เสียถ้าเห็นเสร็จแล้วมันก็มันก็พ้นมันก็พ้นจากตัวเราฉันอยากจะถามว่าบางท่านบอกว่าเวลาภาวนาเนี่ยภาวนาสงบแล้วต้องพิจารณาแต่มีบางท่านบอกว่าให้เราภาวนาติดติดกันจะได้ไม่เผือเข้าไปในความคิดนี่มันตกลวงนี่มันจะแย้งกันหรือเปล่าครับคำพูดเนี่ยมันน่าจจะเรื่องเดียวกันละมั้ง อเอางี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวอของของโยมลองลองยกตัวอย่างสักเรื่องก็ได้เนาะที่ที่โยมทําเนาะว่ามันตามที่ที่โยมพูดเมื่อกี้ เ, กเนี่ยมันมันมันไปปฏิบัติแบบไหนในในที่ที่โยมพูดมาสักครู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะดูว่าเออถ้าการปฏิบัติแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองจะได้คุยกันอีกทีนึ่ง อ, อ, อ๋อพอดีพอดีว่าผมเห็นคนเขาเ ข, า, ขาถามเยอะครับไอเฟสของผมอผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง เพราะว่าเขาบอกว่ามีบางท่านบอกว่าการภาวนาแปลว่าติดๆนี่โดยที่ไม่ให้เข้าไปในความคิดเนี่ยแล้วจิตมันจะมีกําลังแต่เมื่อมีกําลังในบางท่านต้องบอกว่าต้องพิจารณาแล้วแล้วถ้าเกิดพิจารณานี่กําลังมันจะไม่ตกครับอย่างเงี้ย แ, และเราเนี่ยจะจะเลือกสติแบบว่าให้มีกําลังเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องพิจารณานี่จะได้ไหมเ้าคุณลองถามหลวงพ่อดูครับอ่าหลวงพ่อ ต, ตอบแบบนี้นะเอาให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุด สุรัตอนนี้เดี๋ยวนี้เนะาะสุนัก่อนที่ที่โยมจะถามเมื่อกี้เนี่ยเนาะก่อนที่จะเปิดไม่ถามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโยมก็นั่งเงียบอยู่นะโยมก็นั่งเงียบคือนั่งฟังแต่ขณะที่นั่งฟังเนี่ยมันก็จะมีความคิดนะความคิดลังเลสงสัยอยากจะถามแต่โยมก็ยังไม่ถามเพราะว่าอาจจะยังไม่มีจังหวะหรือว่าเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงการที่อ่เฝ้าสังเกตคือมีสติเห็นความคิด ที่อยู่ภายในจิตนะที่มันกําลังคิดอยากจะถาม profiles, หรือว่าเหตุผลต่างๆที่มันมันปรุงแต่งขึ้นมาการที่รับรู้รับรู้อาการเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสร้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมีจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่เห็นอยู่รู้อยู่ว่ามีจิตปรุงแต่งมีความคิดแต่ก็ไม่ไม่ทําตามที่ความคิดหมายความว่าไม่ทําตามที่มันคิดมันคิดอยากถามแต่ก็ยังไม่ถามแต่ก็ยังตั้งมั nement, ่นเห็นอยู่ว่ามันอยากจะถามแต่ เหมือนกับไม่ตามใจอ่ะไม่คือไม่ไม่ตามใจให้มันอยากก็อยากของมันแล้วก็ก็เห็นความกระเพื่อมนะความกระเพื่อมคืออยากถามแล้วก็เดี๋ยวไม่อยากถามเดี๋ยวอยากถามก็จะเห็นการกระเพื่อมการเกิดดับอย่างเนี้ยเออเห็นเห็นเนเห็นการที่เห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีอ่ามีสมาธิที่ตั้งมัน่นเห็นอยู่แลอยู่เห็นอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ตอบสนอง e. มันคือไม่ไม่ถามไ ม, ไม่ถามคือหมายความว่าไม่ถามที่เป็นทางวาจา การที sí, English, down, English, it. It ่เฝ้ามองอยู่เนี้ยให้นานให้นานให้นานให้นานเนี้ยตรงเนี้ยมันจะได้กําลังนะกำลังของสมาธิแต่สมาธิเนี้ยมันเป็นสมาสมาธิด้วยเพราะว่ามันเป็นสมาธิที่เห็นเห็นเขาเรียกว่ามันเห็นเป็นสติปัฏฐานอะนะเห็นจิตเห็นจิตคิดเห็นอันนี้เนี้ยเห็นอยู่แล้วก็ถ้าทําให้ต่อเนื่องนานๆเนี้ยมันก็ยิ่งมีกําลังสมาธิก็หมายความว่ามันจะคิดอะไรก็รู้หมดเห็นหมดแล้วก็เห็นถึงความเกิดดับเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับ อย่างเน e ี้ยจะเรียกว่าทั้งพิจารณาแล้วก็ทั้งได้กําลังของสมาธิเนี่ยอันเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าทําได้ไม่นานนะพอมันอยากจะถามแล้วก็ถามเลยไม่ทันได้พิจารณาไม่ shower, ไมทันได้ดูสมาธิก็ไม่นะมตั้งมั่นพอไม่ตั้งมั่นเสร็จแล้วมันก็เคยตัวเคยใจเ น, ะนาะหมายความว่าพอมันอยากจะถามสมมติว่าพอเราอยู่ในโลกในสังคมเนี่ยพอมันอยากจะถามอะไรถามเลยอยากจะพูดอะไรพูดเลยอย่างเนี้ยเรียกว่ามันไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าตั้งมั่นก็ใช้หลักเดิมหมายความว่า ตอนอยู่ในชีวิตประจำวันมันอยากพูดอะไรมันอยากถามอะไรก็ไม่พูดแต่ก็เห็นอยู่นะเห็นความความอยากเห็นความกระเพื่อมเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งถ้าให้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเรียกว่าโได้กําลังสมาธิแล้วก็ทั้งสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาด้วยปัญญาคือเห็นจิตปรุงแต่งเห็นจิตไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงก็คือจิตคิด น, นะนะคือมันคิดแล้วก็หยุดคิดหยุดคิดสลับกัน ก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อจิตนี้บังคับไม่ได้จิตนี้เป็นอนิจจังจิตนี้เป็นทุกขังจิตนี้เป็นอนัตตาก็เกิดปัญญาเนี่ยง่ายๆเลยทีเนี้ ย, ย, ย, ยถ้าเข้าใจตรงนี้นะอยู่ชีวิตประจำวันเนี่ยพูดน้อยๆเนี่ยคือไม่ไม่คือหมายความว่ารู้อยู่เห็นอยู่ภายในจิตเนี่ยก็เนี่ ย, ยอย่างนี้ก็ทำให้เกิดทั้งสมาธิปัญญาไม่รู้หลวงพ่อตอบพอเข้าเป้าไหมกราบสาธุครับหลวงพ่อเข้ า, ขาเป้าครับแล้วมี อีกคนหนึ่งเขาถามว่าเขาแบบว่าเขาเรื่อสติมาปฏิบัติปมาพอสมควรแล้วมาเจอติเรื่องทุกเขาก็เลยโมโห ว, ว่าจะกตำรวดให้มันติดติดติดตลอดและนี่มันจะหายทุกไปครับเขาบอกแบบว่าทุกทุกเกิดทุกดับเนี่ยมันไวมากก่อแต่ก่อนนะมันไม่ค่อยสงบมันแต่ก่อนเลยเขาว่าถ้าอย่างนี้จะต้องทํำยังไงครับทุกนี้หมายถึงทุกทางกายหรือทุกทางใจ ทาใจครับเดีแ๋บบว่าช่วงเขาบอกว่าช่วงที่มันทุกเกิดดับแต่ก่อนมันมีเกิดดับเวลาเราภาวนาแล้วมันสงบบ่อยๆใช่ไหมครับแต่ช่วงหลังๆนี่เขาบอกว่าเหมือนมันไวกว่าเดิมเราพยายามจะภาวนาสู้กับมันแล้วแต่เหมือนกับว่ามันไวกว่าเดิมเนี่ยเขาก็กเลยถามมาว่าอย่างนี้เราจะภาวนาให้มันติดๆไปเพื่อไม่ให้มันเกิดเลยนี่อย่างนี้ได้ไหมครับเขาว่าอย่างนั้นครับจ ร, จริงๆก็ใช้หลักการที่เหมือนหลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นะเพราะตรงนั้นน่ยมันได้ทั้งมีสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญา แต่ทีนี้ด้วยที่เขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เนาะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทำอย่างที่หลวงพ่อพูดมาสักครู่ให้ต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันเป็นความคิดไงพอพอมันยิ่งมีทุกข์มันก็บ่นพูดภาคในใจเนาะเกิดความไม่ชอบเกิดความรังเกียจเกิดผลักไสเกิดชุลมุนไปหมดเลยเพราะตอนนั้นมันไม่เป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นมันก็มองสภาวะรมไม่ออกเนาะแต่ทีนี้ถ้าให้อยู่ในอาการที่หลวงพ่อว่าสักพักหนึ่งเนี่ย อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งวอยวายเพียงแต่เห็นความเห็นทุกนะเห็นทุกในใจเห็นทุกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต่อมามันก็จะเห็นตัวตัวจิตเนี่ยที่วอยวายที่บน่นที่พูดที่ภาคที่หงุดหงิดมันก็จะเห็นพอเห็นเสร็จแล้วก็ให้ตั้งมั่นคือให้ดูให้รู้อยู่อย่างเนี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วต่อไปมันก็จะเข้าใจในเรื่องทุกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งทางจิตจริงๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นปกติที่มันต้องคิดต้องนึกแต่การคิดการนึกจริงๆมันไม่ได้ทําให้เกิดทุกหกหอ แต่ที่มันเกิดทุกข์เพราะว่าไปมันมีกิเลสตัณหาอุปาทานไงคืออยากจะให้อารมณ์เนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นอยากจะให้จิตสงบให้จิตนิ่งไม่อยากให้มันเกิดอาการอย่างนั้นไม่เกิดอันนี้พวกนี้ตัณหาทั้งหมดเลยแต่ถ้ารู้ทุกข์รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นสภาพของจิตที่บั้นปุุงแต่งนะเห็นการเกิดการดับของเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นทุกข์ทุกเกิดทุกดับเห็นแค่นี้มันก็ไม่ได้เป็นทุกข์ ทําให้ไม่เป็นทุกข์ที่เกิดจากความหลงผิดที่เป็นอวิชชาเนาะก็ได้รู้แต่ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแต่เมื่อมีความตั้งมั่นก็ทุกข์มันก็เป็นทุกข์ไปดิเรื่องจิตคิดจิตนึกก็เป็นไปเลยไม่ต้องห้ามไม่ต้องอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นทุกข์แต่ตัวสติสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญญาที่เข้าใจเรื่องทุกข์แล้วว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ไอ้ตัวปัญญาตัวสมาธิตัวพวกเนี้ยมันก็ได้แต่รู้แจ้งในทุกข์แต่ก็ไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข ได้แต่เห็นอยู่รู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกก็เกิดดับไปแต่ตัวสติปัญญาก็รู้ไปได้แต่รู้แจ้งอยู่มันก็ไม่ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเพราะนั้นก็ตรงนี้มันก็ทำให้แยกได้ว่าเออทุกข์ของความปรุงแต่งก็ปรุงไปแต่ไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้รองรับว่าเราเป็นทุกข์ได้แต่รู้แจ้งเนี่ยถ้าใช้หลักเนี่ยมันจะมันก็ถูกทางไงแต่ทีนี้ด้วยหลักเหมือนกับว่าโยมเขาอาจจะ ยังไม่เข้าใจตรงนี้พอก็เลยไปงดหยิบเดี๋ยก่อนไปผักใส่ไปวุ่นวายเดี๋ยก่อนประมาณนี้ครับหลวงพอ่อก็สาธุครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผรดูจับจับหนึงรู้สึกว่าจะมีคําถามยากคําถามหนึ่งเขาบอกว่ามันภาวนาไปแล้วมันไม่สงบแต่เขาเขาคล้ายๆกับว่าเขาเคยไปสอบประหลมกับอาจารย์มาแล้วอาจารย์บอกว่าเขานี่ แยกรูปแยกนามได้แล้วแต่เขาติดที่สัยเป็นว่าแบบว่าไปนั่งดูเนี่ยพอดูแล้วไปเจอเรื่องทุกข์หนักๆแล้วมันดูไม่ไหวนี่อย่างนี้จะจะแก้อย่างไงครับเลืกเลือกดูแล้วภาวนาต่อใช่ไหมครับข้อถามครับที่มันมันไม่ไหวก็เพราะว่าสติอสมาธิมันยังไม่ตั้งมั่นอ่ะเนาะมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าสมาธิมันก็เสื่อมได้มันเสื่อมมันไม่เที่ยงมันเคยตั้งมั่นแล้วต่อไปมันมันไม่เที่ยงอืมันก็ก็ไม่ตั้งมั่น ทีนี้บางทีก็ต้องใช้อุบายอันนี้เขาเรียกว่าต้องใช้อุบายหรือว่าจะเรียกว่าทําเป็นส ม, มะถะก็ได้คือหยุดหยุดการที่จะทําความเข้าใจอะไรทั้งหมดเลยให้มาอยู่กับอารมณ์เดียวอันนี้เป็นเป็นเขา เ, เรียกว่าเป็นส ม, มะถะเนาะเป็นสมาธิเช่นอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุโทโธอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นอุบายทําให้จิตสงบเพื่อให้จิตมีกําลังเนาะเออแล้วก็ลองทําไปสักพักหนึ่งขณะที่ทำเนี่ยอย่าอยากได้ความสงบนะคือเออมันสงบ มือนกับว่าอย่าอย่าไปมีความอยากอ่ะคือให้อยู่เฉยๆไปอยู่กับอะไรก็ได้ที่ที่เคยทํามาแล้วรู้สึกถูกจริตอ่ะนะแล้วก็อยู่เงียบๆสักพักหนึ่งแล้วก็ก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าอ๋อรู้สึกเออมันจะสงบลงและจะสงบลงสงบลงสงบลงเรื่อยๆแล้วก็พอสงบลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็เห็นความคิดแล้วความคิดมันก็เห็นนะความคิดคือจิตต่สังขารก็เริ่มปรุงแล้วเช่นมันปรุงว่าไงโอ้ดีจังเลยโอ้สบายแล้วจิตสงบแล้วนี่เห็นความคิด พอเห็นความคิดเนี่ยเขาเรียกเนี่ยตอนนี้เห็นจิตแล้วเห็นจิตปรุงแต่งพอเห็นจิตปุงแต่งก็เนี่ยก็จะเริญปัญญาได้อีกว่าอ๋อไอความสงบก็ไม่ที่ระดับอยู่ตลอดแม้กระทั้งสงบหรือไม่สงบไอความคิดเนี่ยมันชอบเสือกอยู่ทุกเรื่องเนาะเวลาไม่สงบมันก็บ่นว่าไม่สงบพอมันสงบมันก็มันก็พูดอ๋อสงบจังเลยนะก็จะเห็นว่าไอความคิดเนี่ยมันคิดทุกเรื่องแหละถูกใจมันก็คิดอไม่ถูกใจมันก็คิด ก็เลยขึ้นวิปัสสนาก็เห็นตามความเป็นจริงได้อีกว่าโอ้ทุกอย่างบังคับไม่ได้มันเป็นเองทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็เลยสลับกันน ะ, ะรวมความก็คือว่าถ้าจิตมันพ่อแป้ไม่มีแรงแล้วก็เออทำสมาธิทักหน่อยหนึ่งทําแค่พอให้มันมีกําลังพอมีกําลังหน่อยเดียวมันก็เริ่มเห็นสังขารค่ะก็นำมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะค ะ, ะจรที่มีคุถามนึงค่ะหลวงพ่อคือช่วงเนี้ยมีพยายามทำสมาธิต้อ ง, ต, องต้องเกินก่อนว่า เป็นคนเพิ่งเริ่มปฏิบัติไม่นานมากนะคะก็มือมือใหม่มากเลยเจ้าค่ะแล้วก็อตอนนี้พยายามทำสมาธิก่อนนอนทุกๆคืนแล้วก็มีเหมือนมีช่วงหนึ่งอะคะอ่ะอเหมือนจะนิ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่านิ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันดูดรอปลงไปเราเองอะก็รู้สึกว่าถ้าให้สังเกตใจตัวเองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแบบเออหงุดหงิดใจนิดหนึง ไม่ถึงขั้นหงุดหงิดแต่ก็รู้สึกแบบขุนเครืองใจและกาใช้ไม่ไพยายามจะหาคําที่อธิบายคือรู้สึกว่าอ้าทําไมล่ะมันเหมือนว่าเรากําลังไปดีๆอยู่แล้วเชียวแล้วมันตกกลับลงมาคือจริงๆเราควรจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงเมื่อตอนที่เราปฏิบัติเจ้าคะหรือจริงๆเป็นปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อพูดในเชิงปัญญาด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งที่โยมเล่าเนี่ยมันเป็นอ่าสภาวะธรรม ท, ที่ที่มีที่ปรากฏอยู่ในขณะ ปัจจุบันนั้นน่ะ น, นะมันมีอย่างไงก็มีอย่างที่โยมจําได้เนี่ยเรามาเล่าเนี่ยว่าเออมันมีบางทีก็ส ง, งบบางทีก็ไม่ส ง, งบแล้วบางทีก็หงุดหงิดบางทีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้นี่คือสภาวะธรรมที่มันเป็นเองนะมันเป็นของมันเช่นนั้นทีนี้การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องใช้หลักก็คือรู้มันรู้มันว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้น แต่ที่ที่เรารู้สึกว่าผิดหวังไม่เป็นไปตามหวังเนี่ยเพราะว่ามันมีความความอยากจะได้อยากจะได้คืออยากจะได้ตามที่เราต้องการเราต้องการแบบนี้เช่นอยากต้องการให้มันเงียบมันไม่คิดอะไรเนี่ยอันนี้คือความอยากมันเป็นตันหาเนาะเออทีนี้เราก็ต้องตัดหมายความว่าต่อไปเนี่ยก็คือไอสิ่งที่ความปรารถนาอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยให้วางไว้ก่อนเลยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสู่ความพ้นทุกเนี่ยมันจะต้อง ต้องหมดความอยากใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่มีกิเลสทีนี้วิธีทมก็คือไงก็รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันคือมันส ง, งบก็รู้มันไม่ส ง, งบก็รู้มันถูกใจก็รู้ไม่ถูกใจก็รู้ใช้หลักรู้อย่างเดียวคืออะไรเกิดขึ้นรู้แล้วรู้แล้วให้ยืนหยัดด้วยการหลักรู้ตรงนี้หมายความว่าไม่ได้ต้องการอะไรเพียงแต่รู้มันเพราะการรู้มันเนี่ยถ้ากับว่าการกําลังเห็นความจริงของมันว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับ มันเกิดแล้วมันก็ต้องหมดไปเกิดแล้วก็หมดไปตรงเนี้มันเป็นการเดินปัญญาก็คือให้รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งเกิดสิ่งดับเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเนาะสังขารไม่เที่ยงแล้วก็ทนสภาพให้มันคงให้มันเที่ยงไม่ได้แล้วมันสุดท้ายมันก็ดับพอดับเสร็จมันก็เป็นความไม่มีพูดอีกจำนวนก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอะไร เพราะนั้นเรียนธรรมะเพื่อให้หลุดพ้นให้ให้พ้นทุกข์นะก็ใช้หลักรู้อย่างนี้แหละอะไรเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ต้องไปอยากอะไรมันรู้แบบไหนก็มันจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้แล้วรู้เหมือนกับมันรู้ด้วยใจเนอะรู้ด้วยสติตามรู้ตามเห็นอยู่อย่าไปไวอยวายอย่าไปอะไรมันอืมแต่ถ้ามันจะวอยวายอะไรก็รู้ทันว่าเออมันวอยวายแล้วก็รู้เองแหละใช้หลักรู้อย่างเดียวรู้แล้วก็คือแค่รู้ไม่ได้ยึดถือไม่ได้เป็นไม่อยากได้ไม่เหมือนกับว่ามันเพียงแค่รู้นะไม่ใช่ว่า รู้แล้วเพื่อจะเอามายึดถือเป็นของตนหรือว่าเพื่อผลักไสไม่ใช่แค่รู้เฉยๆอ่ะในหลักเนี้ง่ายมากเลยรู้แค่รู้แค่รู้แต่เพื่อแต่พือพอได้ไหมเห็นภาพเลยเจ้าค่ะนี่ท่านอย่างนั้นนาะยมขอถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีสมมติว่าเราทําสมาธิอยู่แล้วเราเกิดอาการฟุ้งซ่านพอเราฟุ้งฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราไปรู้แล้วอ๋อตอนนี้ฉันกําลังฟุ้งซ่านอยู่ เราควรจะต้องทำยังไงกับมันไหมเจ้าคะคือปล่อยมันไปช่างมันเลยหรือว่าเอ้ยเราต้องกลับมากลับมาหน้าบางคังให้มันกลับมาหรือเปล่าหรือว่าเราต้องทำยังไงกับมั น, นะเจ้าคะแค่รู้แล้วก็ปล่อยเลยหรือเปล่ า, ถ, าถ้าปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพื่อไม่เอาอะไรนะก็คือก็คือแค่รู้นั่นแหละแค่รู้แต่ว่าถ้าถ้าเพื่อเป็นอย่างอย่างอื่นเนาะ เพื่อเป็นอย่างไงเช่นสมมติว่าเอา้ารู้สึกว่าตอนเนี้แค่รู้แค่ ร, ครู้มันมั่วหมดแล้วมันรู้มันมันมันไม่ชัดเจนแล้วเพราะจิตมันไม่มีกําลังเนาะก็ต้องใช้สูตรเดิมก็คืออา่าให้มากลับมาอยู่กับกับกรรมาฐานอะสักอย่างหนึ่งอย่างเดียวพออย่าหลายอย่างถ้าโยมเช่นอาจจะถนัดในเรื่องของสุขโยมปิดตานะเออหลวงนีลหลวงพอ่อให้ให้อุบายเป็นแค่เพื่อไปพิจารณาเฉยๆลองครับแล้วก็ไปลองทําอย่างเช่นเนาะพอมันคุ้งซ่านมากเลยโยมก็ ปิดตาแต่ตอนปิดตาเนี่ยให้โยมรู้นะว่าตอนเนี้ยตามันปิดแล้วเออแล้วก็ให้โยมสังเกตตาไว้ว่าตอนเนี้ตามันยังปิดอยู่นะแล้วก็ให้ enfin, ha, an an, อยู่กับตาปิดนี่แหละแล้วก็รู้อยู่ว่าอืตามันปิดคือโยมไม่ต้องไปหาอะไรแทรู้ว่าออืเนี่ยตามันปิดอยู่แล้วก็สังเกตเบาๆว่าตาปิดแล้วก็เปลือกตามันอาจจะปึ๊กปึ๊กป๊กปึกเนี่ยสังเกตเนี้ยเนาะ แล้วก็ทำมาให้ต่อเนื่องสักพักหนึ่งแล้วก็ต่อไปมันก็จะแวบไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องน้อ่ะรวมรู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันเผลอไปแล้วก็กลับมาให้รู้ว่าตอนนี้ปิดตาอยู่มันง่ายอะ่ะคือให้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หมดเลยเพราะในกายในใจเราเนาะมันมีที่ตั้งของกรรมฐานทั้งหลายอย่างแต่เพียงแค่เอาสักอย่างเดียวมาทําเล่นเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะส ง, งบลงแต่ถ้ามันไม่ส ง, งบก็ไม่ว่ามันนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากําหนดรู้ว่าเออตามันปิดนะ แต่ว่าถ้าไม่ใช้ตาโยมอาจจะกระดิกนิ้วก็ได้นั่งพับเพียบนั่งอะไรก็เอามือเคาะขาปอกๆเป็นครั้งเป็นครั้งแล้วก็รับรู้เนาะรับรู้อยู่เนี้ยให้อยู่แค่หนึ่งเดียวพอแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองแต่ว่าเราไม่ต้องเรียกร้องนะแล้วแต่มันแต่ว่าหมายถึงว่าให้ทําแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นเป็นอุบายเพื่อที่จะทําให้จิตมีกําลังทําให้จิต อ, อมีสมาธิโอเคเลยเจ้าค่ะขอบขอบพระคุณมากมากเลยเจ้าค่ะ ใครอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดนั่นแล้ก็คือจิตจะตั้งมัน่นปัจจุบันก็คือเนี่ยระหว่างฟังไปเนาะก็ฟังพอฟังมันก็คิดไปเนาะคิดตามฟังไปคิดตามก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่าเออฟังบ้างคิดบ้างฟังบ้างคิดบ้างแล้วก็อาจจะระหว่างฟังอาจจะมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นบ้างก็รู้มันแต่ก็ไม่ตอบสนองมันคือมันลังเลสงสัยก็ยังไม่ถามอันนี้อันนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเพื่อฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนาะเออมันอยากจะถาม รู้อยู่เนี่ว่ามันอยากถามแต่ก็ไม่ถาม <ฮะ S 1> แล้วก็แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆพอฟังไปเรื่อยๆเสร็จไอความอยากถามมันก็หายไปบางช่วงเนา ะ, <ฮ>ะแล้วก็ฟังไปเอาอีกแล้วมันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็รู้อีกเออแล้วก็ยังไม่ถามเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝึกแล้วก็มันทําให้เกิดเป็นจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นต่อการรับรู้สิ่งเกิดสิ่งดับนี่จุงนี้แหละแล้วก็จะได้ฐานที่มั่นคงใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยหมายความว่าจะไม่ทะเลาะกับใครเพราะอะไร เพว่าเวลาจะทะเลาะกับใครนะมันจริงๆมันต้องคิดมาข้างในก่อนว่าจะด่าเขาดีไหมจะดายยังไง<ะ>แต่แต่ไม่ต้องดา่าแล้วก็เห็นความกับเพื่อนอะความเกิดดับของมันอนะโอ้ยตรงนี้เราสนุกแล้วโยมค่ ะ, ะก็พอดีมีมีโยมศกงเมสเซจมานะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้ใ ห, ให้ฟังไ ม, ไม่ไม่ระบุชื่อก็ได้นะเผื่อกระทุกอะไรอ้าวบอกกลับนรมาสการ์พระอาจารย์ค่ะพอดีทํางานไม่สะดวกเปิดไม้ถาม อยากรบกวนถามอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิจนมีอาการเหมือนลมหายใจหยุดนิ่งเหมือนขาดอากาศหายใจอยากทราบว่าสภาวะแบบนี้คืออะไระจริงๆไอสภาพแบบนั้นน่นะสมมติว่าเราเราไม่ตั้งชื่อหรือว่าไม่รู้จักชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีนะ หมายถึงว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ปรากฏรับรู้ได้อย่างที่ที่ที่บอกมาเนาะแต่ถ้าจะตั้งชื่อว่าอะไรมันก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่หลวงพ่อไม่ขอตั้งชื่อกันแล้วกันแต่จะเรียกรวมๆ ว, ว่านั่นคือสภาวะธรรมที่มันแสดงถึงความไม่เที่ยงนะเป็นสภาวะธรรมที่แสดงถึงความไม่เที่ยงของของลมก็ได้เมื่อก่อนอาจจะเป็นลมหยาบนะลมหยาบลมยาวรับรู้ได้ชัดเพราะมันหยาบแล้วก็ยาว แต่ต่อมานื่องจาการมเนี่ย you ม know right. so so <tod> ันมีความไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนสภาพจากหยาบก็เป็นความละเอียดพอเป็นความละเอียดถ้ามันละเอียดมากๆมันเหมือนกับว่าหยุดหายใจหรือไม่มีลมหายใจเพราะมันละเอียดแล้วก็พอมันละเอียดแล้วเนี่ยซึ่งก็รับรู้ได้อีกเนาะหมายความว่าตอนที่มันหยาบก็รับรู้ได้ตอนที่มันละเอียดก็รับรู้ได้แล้วก็มีความรู้สึกนะมีความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีลมหายใจแล้ว แล้วก็อาจจะมีความคิดอย่างนี้ต้องตายแน่ๆพวกเหล่านี้มันเป็นสภาวะธรรมที่มีการปรากฏแต่สภาวะธรรมนี้มันมีความไม่เที่ยงด้วยตัวมันเองก็หมายความว่ามันปรากฏแล้วต่อไปมันก็ดับไปมันอาจจะหายใจหยาบหายใจยาวแล้วก็รับรู้ได้ถึงว่าอ๋อตอนนี้มีลมแล้วตรงนี้เขาเรียกว่ามันกําลังแสดงธรรมะเออมันกําลังแสดงธรรมให้ให้เราดูดอยู่เพื่อให้เกิดปัญญาว่าลมหายใจ มีความไม่เที่ยงนะแล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือมันเป็นของมันเองเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้จัดการมันละแสดงธรรมะให้ดูเขาเรียกมันแสดงธรรมนะเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติแบบนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องเนี้ต่อไปมันก็จะโยงใหญ่เข้าใจเรื่องอื่นๆทั้งหมดว่าทุกอย่างมันก็มีแต่ความไม่เที่ยงคือมลลีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวชัดบ้างไม่ชัดบ้างเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะที่โยมถามก็คือมันกาลังแสดงเพื่อให้เราเนี่ยเห็นความจริงแล้วก็เกิดปัญญานะเป็นปัญญาว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้นะแล้วก็ต่อไปก็จะได้ไม่หลงยึดถืออะไรที่มันเป็นจริงเป็นจังที่จะให้เกิดทุกข์เกิดโทษเพียงแต่รู้ความจริงเรื่อยไปว่า ทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าในส่วนที่เป็นร่างกายหรือจิตใจมันมีลักษณะอย่างเนี้ยคือแปรปรวนไม่เที่ยงแล้วก็อยากไปหลงยึดถือตามที่เราปรารถนาเพราะว่าส่วนมากคนเนี่ยปรารถนาที่จะให้เป็นไปตามใจหวังเนาะตามที่เราต้องการแต่กฎของธรรมชาติเนี่ยมันอยู่เหนือความต้องการของกิเลสเออมันอยู่เหนือความต้องการของคนมันจะเป็นยังไงมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือให้ เรียกร้องให้เป็นไปตามใจหวังได้เพราะนั้นตรงนี้มันก็สอนให้เกิดปัญญาว่าต่อไปนะเมื่อรู้ความจริงอย่างเนี้ยอย่าไปคาดหวังอะไรอะไรในโลกนี้คาดหวังเมื่อไหร่นะปรารถนาเมื่อไหร่มันจะผิดหวังผิดหวังเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยการปล่อยวางคืออะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็เพียงแต่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะเมื่อไม่ยึดถือนะ ในการปล่อยวางความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับจิตใจนะก็อย่างนี้ยก็เรียกว่าเข้าทางที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความพน้พนทุกข์พ้นทุกข์คือมันมีทุกข์คือมีมีความไม่เที่ยงแต่ไม่มีผู้ทุกข์กับความไม่เที่ยงอันนั้นก็คือมันก็คือจบอ่ะมันจบตรงที่ไม่ทุกข์พ้นทุกข์ขนาด น, นี้ก็สิ่งที่จะบอกก็คือพวกเราจะต้อง ใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกตัวคือมีสติเนาะมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่แหละอย่าเมือเพลินอย่าทำอะไรจนแบบจนลืมตัวนะใส่ใจในเรื่องของความรู้สึกตัวอุบายของความรู้สึกตัวก็มีมากมายก็เอากายมาเป็นเครื่องฝึกก็ได้เช่นเวลาเดินยืนนั่งนอนเนี่ยก็ ทำความรู้สึกตัวได้คือรู้ว่าอ๋อตอนนี้ปัจจุบันนี้กำลังเดินหรือกําลังนั่งหรือกําลังนอนหรือกําลังยืนอะไรก็แล้วแต่หรือกําลังก้มเงยคือจริงๆในชีวิตประจําวันเนี่ยกายเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วเนาะเพียง <Yeah. S 1> แต่รับรู้ถึงว่าเออมันมีอยู่สิ่งนี้มีอยู่กําลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังอะไรเนี่ยแล้วก็ทางจิตใจถ้าเกิดใครที่สามารถดูจิตดูใจเป็นก็สามารถที่จะฝึกได้เช่นมันจะเกิดความาเกิดอะไรขึ้นในใจเช่นความสุขความทุกข์ ความโกรธความโมโหความเอ อ, อะไรต่างๆซึ่งทุกคนมันมีหมดอยู่แล้วเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องฝึกคือมันเมื่อมันปรากฏขึ้นก็รับรู้เมื่อมันปรากฏขึ้นก็รับรู้รรรอย่าไปอย่าไปเกลียดอย่าไปชังเพราะมันคือชีวิตของเรานะั่นแหละว่าไปแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็เพียงแต่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ให้ต่อยอดในทางปัญญาก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดเองดับเองนะไม่เราเราไม่ได้ทํามันแต่มันเป็นเองเพื่อที่จะถึงในที่สุดก็คือ เมื่อรู้แล้วก็คือไม่ได้ยึดถือไม่ได้มาแบกมาหามว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราให้รู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเนาก็ให้มีความเพียรในเรื่องนี้นะเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อ <c oughs> อยากจะบอกมากที่สุดในห้องนี้ก็คือว่ามีสติรู้สึกตัวนี่แหละ